พวกเราเคยถามตัวเราเองบ้างหรือเปล่าว่าเราเกิดมาทําไมกันเกิดมาแล้วได้อะไรอะไรทําให้เรามาเกิดเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันเอาอะไรไปไม่ได้เลยมาเกิดกันทําไม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 จากการมาเกิดถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามไม่มีพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้และเราก็จะใช้ชีวิตของเรานี้ไปอย่างร้อยคุณค่าร้อยประโยชน์และนอกจากร้อยคุณค่าร้อยประโยชน์แล้วก็กลับเกิดโทษกับตัวเราขึ้นมาอีก ถ้าไม่มีศาสนามาเป็นผู้คอยสอนคอยบอกพวกเราการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจึงเป็นโชคคาลาบอันยิ่งใหญ่เพราะเราจะได้รู้จักใช้ชีวิตของเราให้เกิดคุณเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ชีวิตจิตใจ ของพวกเราเพราะมีพระพุทธศาสนาทั้งนั้นที่มีพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาเป็นผู้ค้นพบสิ่งที่พวกเราสามารถที่จะค้นพบกันได้ก็คือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีวันเสื่อม ไม่มีวันหมดไม่เหมือนกับความสุขที่พวกเรากำลังมีกันอยู่ในขณะนี้เป็นความสุขที่ชั่วคราวเป็นความสุขที่เหมือนควันไฟได้มาแล้วก็จางหายไปปล่อยให้เราอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายปล่อยให้เราหิวปล่อยให้เราอยาก ปล่อยให้เราต้องค้นคว้าขวายคว้าหาความสุขอันใหม่มาเติมอยู่เรื่อยๆและหามาได้มากน้อยเพียงไรก็ได้ผลเช่นเดียวกันก็คือได้ความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วก็จางหายไปนี่คือความสุขที่พวกเราขวายคว้าหากันอยู่ เพราะเรารู้เพียงเท่านี้ว่าเป็นความสุขที่เราพอจะหากันได้แต่ความสุขที่ไม่ใช่เป็นแบบควันไฟเป็นความสุขที่ถาวรที่จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆอันนี้เราไม่รู้ว่ามีอยู่และเราสามารถที่จะ ไขว่คว้าเอามาครอบครองเป็นสมบัติของเราได้ต้องมีพระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกพวกเราเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เป็นพระองค์แรกที่ได้ค้นพบความสุขที่ถาวรนี้และสามารถเอาความสุขที่ถาวรนี้ มาครอบครองได้ <Yeah. S 1> พระองค์จึงนำเอาความรู้ความสามารถอันนี้มาสอนมาบอกพวกเราที่ไม่รู้กันให้เรามาหาความสุขแบบใหม่กันดีกว่าความสุขที่จะเป็นของเราไปตลอดถึงแม้ร่างกายนี้จะตายไป เราก็ยังสามารถมีความสุขอันนี้ติดตัวไปกับเราได้ตอนนี้ความสุขต่างๆที่เรามีอยู่เราเอาติดตัวไปไม่ได้เลยความสุขจากลาบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะต่างๆเป็นความสุขที่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ และเสกพอไม่มีร่างกายความสุขเหล่านี้เราก็ไม่มีเอาไปไม่ได้เพราะเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเสกนั่นเองคือร่างกายเพราะร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไป พอเราไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายได้เราก็ไม่สามารถมีความสุขต่างๆจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพธาธได้ใจของเราก็เลยมีแต่ความทุกข์เราจึงไม่อยากแก่กันไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยกันไม่อยากตายกันเอรอ มันเป็นสิ่งที่จะมาขัดขวางไม่ให้เราสามารถมีความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงเกียรติลดผลทพะต่างๆได้นี่เองเราจึงมาทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บและทุกข์กับความตายทุกครั้งที่เรามาเกิดเราก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตาย มาพัดพรากจากสิ่งที่เรามีอยู่เช่นลาบยศสันละเสริญรูปเสียงกลิ่นรสปวดพทพพะชนิดต่างๆชีวิตของเราจึงมีแต่ความทุกข์ความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขชั่วประเดียวประดาวได้มาแล้วก็หมดไปต้องหามาเติมใหม่เหมือนเติมน้ำใส่ตุ่มที่มีรอยรั่วอยู่ เติมเข้าไปให้เต็มแล้วเผลอเดียวเดียวน้ำก็พร่องหมดไปเพราะตุ่มมีรอยรั่วอยู่เติมให้ได้เต็มกี่ครั้งก็ตามน้ำก็จะต้องซึมรั่วออกมาหมดไปทุกครั้งไปนี่คือลักษณะของความสุขที่พวกเราหากันมีกันเป็นความสุข ที่จะต้องซึมต้องรั่วหายไปหมดจากใจของพวกเราพระพุทธเจ้าก็เคยมีความสุขแบบนี้เคยเป็นพระราชกุมารมีความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลื่นโลดโผฏฐะชนิดต่างๆมีมากกว่าพวกเรามีกันเพราะท่านเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดิน พระเจ้าแผ่นดินย่อมมีลาบยศสรรเสริญมากมีรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะชนิดต่างๆมากมากกว่าที่พวกเรามีกันเยอะแต่มันก็เป็นความสุขแบบเดียวกันเออเป็นความสุขที่ชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปก็ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยได้ดูรูปแล้วพอรับสัมผัส ได้ความสุขจากการดูรูปแล้วมันก็ผ่านไปเช่นเราไปดูภาพยนตร์ไปดูละครดูแล้วความสุขที่ได้จากการดูก็หมดไปความอยากดูใหม่ก็ปรากฏขึ้นมาแล้วถ้าเกิดดูไม่ได้เช่นร่างกายไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถ้ายามชาราตาไม่ดีมองไม่เห็น ก็ไม่สามารถที่จะมีความสุขทางตาได้ต่อไปก็จะมีแต่ความทุกข์เพราะความอยากดูยังไม่เด่หมดไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของตานั่นเองนี่คือความสุขที่พวกเราหากันมักจะจบลงที่ความทุกข์เพราะเราจะต้องเจอวันที่เราเราไม่สามารถ หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสปฎทภาพะได้นั้นเองแล้ววันนั้นก็จะเป็นวันที่มีแต่ความทุกข์ใจมีแต่ความซึมเศร้ามีแต่ความว้าเหวบางครั้งถ้าเป็นบ่อยๆเป็นนานๆก็อาจจะคิดฆ่าตัวตายกันเพราะไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมอยู่แล้วก็มีแต่ความทุกข์ มีแต่ความเื่มเศร้ามีแต่ความว้าเหวเศร้าซ้อยหงอยเหงานี่คือเรื่องของความสุขที่พวกเราหากันอยู่กันทุกคนเพราะพวกเราไม่รู้จากความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ทองคนพบกันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาหรือถ้าเรา พบแต่เราไม่สนใจที่จะศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้จักความสุขชนิดใหม่ชนิดที่ดีกว่าความสุขที่เรามีกันอยู่เพราะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่จะไม่ทําให้เราต้องทุกข์เพราะมันจะไม่จากเราไปมันจะไม่หมดไปนั่นเองมีความสุขแบบนี้ตลอดเวลา ีสสีชั่วโมงทุกวันทุกคืนแม้กระทั่งไม่มีร่างกายความสุขนี้ก็ไม่ได้หายไปหมดไปเพราะความสุขที่พระเจ้าได้ส่งค้นพบนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องม้เครื่องมือใช้ใจเป็นเครื่องมือใช้ธรรมะที่พระเจ้าได้ส่งค้นพบที่มีอยู่ในใจของพวกเรา เป็นเครื่องมือสร้างกันขึ้นมาและเป็นเครื่องมือที่อยู่กับใจของเราเป็นเครื่องมือที่จะไม่มีวันเสื่อมจากใจเราไปถ้าเรารู้จักใช้เครื่องมือเหล่านี้เราก็จะสามารถผลิตความสุขนี้ได้อยู่ไปเรื่อยๆ อ, อยู่ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจของเรานี้ไม่มีวันสิ้นสุด อยู่ไปตลอดแต่ตอนนี้ใจของเราอยู่แบบทุกข์ไม่ได้อยู่แบบสุขถ้าสุขก็สุขเดียวเดียวส่วนใหญ่จะเป็นความสุขทุกข์มากกว่าเพราะเวลาความสุขที่ได้เดียวเดียวหมดไปความทุกข์ก็เข้ามาทันทีทุกข์เพราะอยากมีความสุขอีกทุกข์เพราะต้องดิ้นลนหาความสุข แล้วทุกข์ถ้าไม่สามารถหาความสุขได้มีแต่ความทุกข์อันเกิดของพวกเราจึงการเป็นการเกิดมาเพื่อหาความทุกข์ดีๆนี่เองแต่พวกเราก็ไม่มีทางเลือกเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้พวกเราต้องมาเกิดกันและเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุ ที่จะทำให้เราไม่ต้องมาเกิดกันความรู้เหล่านี้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ทรงรู้ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราก็จะอยู่กับการหาความสุขชั่วคราวแล้วก็ทุกข์กับการหา ทุกข์กับการดูแลรักษาความสุขที่เราได้มาและทุกข์กับความสุขเวลาเวลาที่เราเสียความสุขนั้นไปแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะทรงสอนให้เรามาสร้างความสุขแบบใหม่กันสร้างความสุขที่จะอยู่คู่กับใจเราไปตลอด ไม่มีวันจบไม่มีวันหมดนั่นก็คือความสุขทางใจความสุขทางใจนี้เกิดจากการทำใจให้สงบระงับจากความอยากต่างๆความอยากนี้ทำให้ใจไม่สงบทำให้ใจเครียดทำให้ใจทุกข์ทำให้ใจวุ่นวายเวลาที่ความอยาก ดับไปความทุกข์ความวามุ่นวายใจความเครียดต่างๆก็จะหมดไปใจก็จะสงบแล้วก็มีความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งปวงผู้ใดถ้าได้ได้เสพได้สัมผัสกับความสุข ที่เกิดจากความสงบระงับของตันหาความอยากแล้วจะไม่ต้องการความสุขแบบอื่นอีกต่อไปเพราะมีความแตกต่างกันเหมือนกับฟ้ากับดินความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นเหมือนฟ้าความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาฏะ เป็นเหมือนกับดินพอได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็จะสามารถเลือกหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นลดผลพละได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนวิธีที่จะทำให้เราได้มาพบกับความสุขที่ถาวรที่จริงแท้นี้ด้วยการให้เรา ทำทานกันให้เรารักษาศีลกันให้เราภาวนากันนี่เป็นสูตรตายตัวของการเข้าสู่ความสุขที่แท้จริงต้องเข้าด้วยการทำทานถ้าเรายังใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เราต้องเปลี่ยนการใช้เงินไปใช้ในทาง เพื่อความสงบของจิตใจเวลาที่เราอยากจะใช้เงินซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราเอามาทําทานเราก็จะระงับความอยากที่จะไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แล้วก็ทําให้เรามาซื้อความสุขที่ทําให้ใจเราสงบก็คือการ เอาเงินทองนี้ไปช่วยเหลือแก่ผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนให้เขาไปให้เขามีความสุขการให้เงินทองเพื่อให้ผู้ น, นั้นมีความสุขกลับจะทําให้เราได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้รับจากการที่เราเอาเงินทองไปซื้อรูปเสียงเกียรติถชนิดต่างๆ อันนี้เป็นการหาความสุขทางใจในระดับต้นใ น, ในระดับที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งถ้าเรายังใช้เงินใช้ทองอยู่ให้ใช้ให้ถูกให้เกิดประโยชน์แก่จิตใจอย่าให้เกิดโทษกับจิตใจเพราะถ้าเราใช้เงินตามความอยาก ใช้เงินเพื่อซื้อความสุขทางตาหูจมูกเลิ้งกายมันจะทำให้เราติดเราจะต้องใช้อยู่เรื่อยๆเวลาที่เราไม่มีเงินใช้เราก็จะทุกข์เราก็จะเดือดร้อนกันแต่ถ้าเราเอาเงินนี้มาทำบุญทำทานมันจะทำให้เราไม่ติดการใช้เงินเวลาเราไม่มีเงินทำบุญทำทาน เวลาเราไม่มีเงินไปเที่ยวไปซื้อของตามความอยากเราจะไม่เดือดร้อนเราจะอยู่เฉยๆได้มีความสุขได้ทั้งๆที่ไม่มีเงินใช้นี่คือประโยชน์ของการใช้เงินให้ถูกต้องแล้วจะทำให้เราไม่ใช้เงินมากคือเราจะทำบุญเฉพาะในส่วนที่เรามีเหลือ ส่วนที่เราต้องมีไว้สำหรับใช้ในสิ่งที่จำเป็นเช่นในการดูแลรักษาร่างกายส่วนนั้นเราก็เก็บเอาไว้ถ้าไม่มีส่วนเกินเราก็ไม่ได้ทําบุญทําทานก็ไม่เสียหายตรงไหนถ้าเราไม่เอาเงินไปใช้ตามความอยากได้เวลาเราไม่มีเงินใช้เราก็จะไม่เดือดร้อน แล้วจะทำให้เราไม่ต้องไปวุ่นวายกับการหาเงินหาทองเพื่อมาใช้ตามความอยากต่างๆถ้าจะหาก็หาเฉพาะที่จะเอามาใช้ดูแลรักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขเท่านั้นซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องใช้มากต้องมีมากเงินทองสำหรับเลี้ยงดูร่างกายนี้ เราใช้กันน้อยกว่าเงินทองที่เราเอามาซื้อความสุขทางตาหูจมูกพื้นกายเอามาทําตามความอยากต่างๆกันอันนี้คือวิธีแรกคือให้รู้จักใช้เงินใช้ทองที่จะทําให้เกิดประโยชน์กับจิตใจไม่เกิดทุกไม่เกิดโทษกับจิตใจด้วยการหยุดใช้เงินทองไปในการ ทำตามความอยากต่างๆซื้อของตามความอยากต่างๆซื้อรูปเสียง ก, กลิ่นรสตามความอยากต่างๆถ้าลองซื้อแบบนี้แล้วจะซื้ออยู่เรื่อยๆเพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติดที่ซื้อแล้วก็ต้องซื้อต้องมีอยู่เรื่อยๆเวลาไม่มีก็หงุดหงิดนำคาญใจทุกข์ใจถ้าเรา เอาเงินที่จะไปใช้ในรูปแบบนี้มาใช้กับการทําบุญทําทานเรากลับจะได้รับความสุขได้รับความอิ่มเราจะรู้สึกมีความสุขสบายใจและเวลาที่เราไม่มีเงินทองที่จะไปใช้เราก็จะไม่ทุกข์เราจะไม่เดือดร้อนอันนี้เป็นขั้นที่หนึ่งที่เราควรที่จะมา ฝึกหัดทำกันพยายามหยุดใช้เงินตามความอยากต่างๆเก็บไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายก็ได้ถ้ามีเกินมีมากเกินไปอยากจะเอาไปทำบุญก็เอาไปทำได้ทำแล้วจะมีความอิ่มใจจะทำให้เราไม่อยากที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอเรา ทำบุญทำทานได้เราก็จะมีกาลังที่จะไปหาความสุขระดับที่สองที่มีน้ำหนักมากกว่ามีปริมาณมากกว่าความสุขที่ได้จากการทําบุญทําทานก็คือความสุขที่ได้จากการรักษาศีลการรักษาศีลคือการไม่ทำบาปการทำบาปจะทำให้ใจเราวุ่นวาย จะทำให้เราไม่สงบจะทำให้เราไม่มีความสุขกันคนที่ทำบุญทําทานได้จะรู้สึกว่าการไม่ทําบาปนี้ไม่ใช่เป็นของยากเย็นเลยต่างกับคนที่ไม่ได้ทําบุญจะรู้สึกว่าการไม่ทําบาปนี้ยากมากเพราะคนที่ไม่ทําบุญนี้จะเป็นคนที่ชอบใช้เงินทองไปในต่างในทางใน ในทางความอยากต่างๆจึงทำให้เงินทองไม่ค่อยพอใช้จึงต้องหาเงินทองมามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆและเวลาหาเงินทองถ้าจะต้องไม่ทาบาปก็จะรู้สึกว่าหายากถ้าทำบาปแล้วรู้สึกว่ามันหาง่ายกว่าเช่นชอบโกงโกหกหลอกลวงทำให้การหาเงินทองนี้หาได้คล่องตัวกว่า ถ้าาถ้าอยากจะมาหาความสุขจากการไม่ทำบาปจากการรักษาศีลก็จะหาเงินทองยากคนที่ยังต้องใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆจึงไม่ค่อยรักษาศีลกันเพราะไม่มีความสามารถไม่มีกำลังพอที่จะรักษาได้แต่คนที่ทำบุญทำทานนี้จะทำได้ เพราะคนทําบุญทำทานนี้ไม่ร้อนเงินไม่ดินน้นรนไม่วุ่นวายกับการหาหางเงินหาแบบสบายสบายไ ด, าบบด้หาแบบสุดหาแบบสุดเจริญได้เพราะไม่ต้องการมากมายต้องการเพียงที่จะเอามาเลี้ยงดูสังขารร่างกายเท่านั้นเองแล้วก็คนที่ทําบุญทำทานก็เป็นคนที่มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น มีความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขไม่ต้องการให้ผู้อื่นเดือดร้อนจากการกระทําของตนก็เลยทําให้ไม่อยากจะทําบาปคนที่ทําบุญทําทานได้นี้จะรักษาศีนได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้ทําบุญทําทาน <c oughs> ก็เลยทําให้สามารถขยับขึ้นสู่ความสุขระดับที่สองได้ คือระดับที่เกิดจากการไม่ทำบาปนั่นเองเพราะเวลาทำบาปนี้ใจไม่สงบใจจะวุ่นวายจะวิตกกังวลแล้วเวลาต้องไปรับผลบาปก็จะทุกข์จะทรมานใจเช่นเวลาทำผิดกฎหมายแล้วต้องถูกจับไปลงโทษ ไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไปช่อโกงทรัพย์ของผู้อื่นพอถึงเวลาเขาจับได้ก็ต้องถูกกักขังไว้ในคุกในตารางไม่สามารถทำอะไรตามความอยากของตนได้อันนี้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแทนที่จะมีความสุขก็จะไม่มีความสุขถึงแม้ว่าจะได้เงินทองม า, มากน้อยเพียงไรได้ใช้เงินทองซื้อความสุขมากน้อยเพียงไร ความสุขเหล่านั้นมันก็หายไปหมดแล้วเวลาติดคุกติดตารางความสุขต่างๆที่เราเคยมีอยู่นั้นไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจของเราที่เกิดจากการติดคุกติดตารางได้แต่การไม่ทําบาปนี้จะทําให้ใจเราสงบจะทําให้เราไม่ต้องวิตกกังวลกับบาปกรรมต่างๆที่เราทําไว้และจะทําให้เราไม่ต้องไป รับผลบาปเะจากการกระทําบาปของเราใจของเราก็จะมีความเย็นมีความสบายมีความสุขเพิ่มอีกเป็นสองชั้นสุขชั้นแรกได้จากการทําบุญทําทานสุขชั้นที่สองได้จากการรักษาศีลห้าไม่ทําบาปแล้วถ้าพอเรารักษาศีลห้าได้แล้วเราอยากจะมีความสุขมากกว่า ความสุขที่ได้รับจากการรักษาศีลห้าเราก็จะขยับขึ้นไปสู่การรักษาศีลแปดรักษาศีลสิ 10, รักษาศีลสองอยี่สิบตามลำดับได้ยิ่งรักษาศีลได้มากเท่าไหร่ยิ่งทำให้ใจเราสงบมากขึ้นไปเท่านั้นยิ่งทำให้ความวิตกกังวลความาความหวาดตัวนี้จะน้อยลงไป ก็เราจะไม่ได้ทําอะไรผิดนั่นเองจะทําให้ใจเรายิ่งสงบมากขึ้นไปยิ่งมีความสุขมากขึ้นไปดังนั้นพอเราทําบุญทําทานได้เราก็จะขยับขึ้นไปสู่การรักษาศีลห้าได้พอเรารักษาศีลห้าได้เป็นปกติทุกวันเราก็สามารถที่จะขยับขึ้นไปสู่การรักษาศีลแปดต่อไปได้ ขันต้นเราก็เริ่มที่การรักษาศีลแปดในวันพระเช่นในวันนี้วันนี้เป็นวันพระถ้าท่านรักษาศีลห้ามาได้ตลอดทุกวันวันพระนี้ก็ลองรักษาศีลแปดกันดูเพิ่มความสุขจากการไม่กระทำกิจที่จะทำให้จิตใจเราวุ่นวายก็คือให้เราเพิ่มศีลอีกสามข้อ และเปลี่ยนสีลข้อที่สามจากการไม่ประพฤติผิดประเวณีมาเป็นการไม่ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราการร่วมหลับนอนแม้จะมีความสุขแต่ก็มีความทุกข์ได้เวลาที่เราไม่สามารถร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราได้เช่นถ้าวันนี้คู่ครองของเราไม่อยู่ไปต่างจังหวัดเราต้องอยู่คนเดียวเราก็จะ มีความทุกใจเพราะว่าเราอยากจะร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราแต่เขาไม่อยู่แต่ถ้าเรามาฝึกงดเว้นการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราในวันพระถ้าเราทําไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะไม่ต้องร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราได้เพราะเราจะเคยชินกับการนอนคนเดียวได้ ไม่เดือดร้อนกับที่การที่จะต้องร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราอันนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าคู่ครองของเราจะอยู่กับเราไปเท็งเมื่อไหร่เขาจะไปเมื่อไหร่วันไหนเราก็ไม่รู้ไปนานหรือไม่นานเราก็ไม่รู้ไปชั่วคราวหรือไปถาวรเราก็ไม่รู้แต่เวลาไปนี้เราจะต้องทุกข์แน่นอนถ้าเรายังต้องการร่วมหลับนอนกับเขาอยู่ แต่ถ้าเาถ้าเรามาฝึกหัดรักษาศีลแปดในวันพระกันมาเลิกความอยากร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราถ้าเราทำได้ต่อไปเราจะไม่เดือดร้อนเวลาที่เราไม่ได้อยู่กับคู่ครองของเรานี่คือประโยชน์และความสุขที่เราจะได้รับจากการรักษาศีลข้อที่สามก็คือการไม่ร่วมหลับนอนกัน แล้วเราก็เพิ่มข้อที่หกคือเราจะไม่รับประทานอาหารแบบตามความอยากต่อไปเราจะรับประทานเพื่ออยู่จะไม่ได้อยู่เพื่อรับประทานถ้าอยู่เพื่อรับประทานก็รับประทานตามความอยากอยากจะมีความสุขจากการรับประทานเมื่อไหร่ก็รับประทานไม่ว่าจะเป็นเวลาใดาก็ตามพออยากวักก็หาอะไรมารับประทานก็ได้ความสุขเดียวเดียว แต่เวลาที่อยากแล้วไม่มีอะไรให้รับประทานเวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามาฝึกหัดรับประทานอาหารแบบมีกรอบเวลามีขอบมีเขตรับประทานเพื่อเลี้ยงดูร่างกายไม่ได้รับประทานตามความอยากเวลาที่เราไม่ได้รับประทานอาหารเราก็จะไม่เดือดร้อนคือเราจะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว ถ้าเรารักษาสิ่ข้อนี้ได้ต่อไปเราจะอดข้าวเย็นได้เราจะไม่เดือดร้อนในตอนเย็นตอนค่ำเวลาที่ไม่มีอาหารรับประทานเพราะเราสามารถหักห้ามจิตใจหักห้ามความอยากรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบมีเขตไม่มีเว ล, เวลาได้เราสอนใจฝึกหัดใจให้รับประทานอาหารตามเว ล, เวลาเช่น ตอนก่อนเที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันแล้วเราก็จะไม่รับประทานอาหารการรับประทานอาหารไม่รับประทานอาหารหลังจาก ท, ทั้งเที่ยงวันนี้ก็มีคุณมีประโยชน์หลายประการด้วยกันเพราะมันจะช่วยส่งเสริมให้เราได้ก้าวสู่การปฏิบัติการบําเพ็ญจิตตภาวนาที่เป็นการสร้างความสุขสร้างความสงบที่เต็มร้อย ได้การที่เราจะนั่งสมาธิได้เราต้องไม่รับประทานอาหารมากเกินไปเพราะถ้ารับประทานมากก็จะทำให้เกิดความง่วงนอนขึ้นมาเวลานั่งแทนที่จะสงบก็ก็จะนั่งหลับไปจะไม่ได้ผลจากการทำใจให้สงบไม่ได้รับความสุขจากการจากความสงบของใจจะได้แต่ความง่วงเหงาหานอน แต่ถ้าเราไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วพอบ่ายๆเรานั่งสมาธิเราจะไม่รู้สึกง่วงนอนนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับสองเราจะมีเวลามานั่งสมาธิกันถ้าเรายังกินอาหารกันอยู่แทนที่เราจะมานั่งสมาธิเราก็จะเอาเวลานั้นมานั่งรับประทานอาหารกัน เดี๋ยวตอนบ่ายก็รับประทานกันเดี๋ยวตอนเย็นก็รับประทานกันเดี๋ยวตอนค่ําก็รับประทานกันอยากจะรับประทานเมื่อไหร่ก็รับประทานกันเวลาที่จะเอามานั่งสมาธิมาภาวนาก็จะไม่มีเช่นเดียวกับศีลข้อสามถ้าเราจะร่วมหลับนอนกับแฟนกับคู่ครองของเราเราก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันเราก็จะเอาเวลาไปร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเรา การละเว้นกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้เรามีเวลามาภาวนามาสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราได้รับจากการร่วมหลับนอนกับแฟนความสุขที่เราได้รับจากการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเขตไ ม, มเมไม่มีเวลาเช่นเดียวกับศีลข้อเจและข้อ8ศีลข้อเจก็คือให้เรายุติการ หาความสุขจากบันเทิงและมหระสพหรือการแต่งกายเสริมความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอาพรด้วยการเสริมเสริมหน้าเสริมแต่งหน้าแต่งตาใช้น้ำมันน้ำหอมท ำ, ท, ทำผ้าทาผมหาเสื้อผ้าวิจิตพิสดารมาใสอันนี้เป็นเป็นความสุขเพียงเล็กน้อยแต่เสียเวลามาก สู้เอาควาบเอาเวลามาใช้กับการนั่งสมาธิทําใจให้สงบจะดีกว่าเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี่มันดีกว่าการไปดูภาพยนตร์มหอรอศพบันเทิงต่างๆดีกว่าการไปเสริมความงามต่างๆดีกว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรร์วิจิตพิสดารต่าง ๆ, ๆ, ๆ แล้วก็ศีลข้อที่แปดก็จะทำให้เรามีเวลามาภาวนาเพราะเราจะไม่นอนมากเกินไปถ้าเรานอนบนพื้นแข็งๆถ้าเรานอนบนฟูกหนาๆเราจะมั่นจะสบายมันจะทำให้เรานอนมากเกินไปตามปกติร่างกายนี้ถ้าพักผ่อนหลับนอนสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาเพราะได้พักผ่อนพอเพียงแล้ว แต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆก็จะไม่อยากลุกขึ้นมาก็จะนอนต่อไปอีกสามสี่ชั่วโมงก็เสียเวลาอันมีคา่าที่จะเอามาใช้ในการนั่งสมาธิทำใจให้สงบนี้หมดไปกับการหลับนอนซึ่งเป็นความสุขเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขที่จะได้รับจากการนั่งสมาธินี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรารักษาศีล เพิ่มขึ้นมาอีกสามข้อจากห้าข้อเป็นแปดข้อจะทำให้เรามีเวลามาภาวนาและจะทำให้ไม่มีอุปสรรคต่อการภาวนาเวลานั่งภาวนาก็จะไม่ง่วงนอนไม่เกลียดคล้านถ้ารับประทานมากๆเวลาอิ่มแล้วก็ไม่อยากจะนั่งสมาธิไม่อยากจะเดินจงกรมอยากจะนอนเพราะมันอิ่มแล้วมันสบายอยากจะสบายต่อ ทางร่างกายก็จะหลับนอนแต่ความสุขทางร่างกายมันเป็นความสุขชั่วคราวต่อไปร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือความสุขที่เราจะได้รับเพิ่มขึ้นจากการมารักษาศีลแปแล้วถ้าเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราก็จะได้ความสุขเต็มที่เลย ได้ความสุขที่เราไม่เคยพบมาก่อนไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เราได้รับจากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบเวลาใจสงบแล้วนี้ความสุขนี้เป็นความสุขมหาศาลยิ่งใหญ่ไพศาลยิ่งกว่าความสุขที่ได้จากมีการมีเงินร้อยล้านพันล้าน ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าการได้เป็นนายกรัฐมนตรีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าการได้คนสวยคนหล่อมาเป็นสามีมาเป็นภรรยามันสู้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่ได้ถ้าไดคา้ความสุขแบบนี้แล้วก็ยินดีที่จะสละความสุขทางร่างกายไปหมดมีเงินมีทองมากน้อยเพียงายก็ยินดีสละทำบุญทาทานไป มีสามีมีภรรยาสวยงามขนาดไหนหล่อเหลาขนาดไหนก็ยกให้คนอื่นไปได้ไม่ต้องการความสุขเหล่านี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความสุขแต่มันก็มีความทุกข์ตามมาเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวพอสักวันหนึ่งก็จะต้องมีการพัดพากจากกันแล้วเวลาพัดพากจากกันนั้นความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านี้หายไปหมดเลยหายไปหมดเลย หลือแต่ความทุกข์ความอาลัยอาวร์ความเศร้าโศกเสียใจความเหงาความว้าเวต่างๆก็จะเข้ามาแทนดังนั้นคนที่ได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้จะเห็นโทษของความสุขชนิดอื่นและเห็นคุณของความสุขที่ได้จากความสงบก็จะไม่อยากได้อะไร พราอรู้ว่าความสุขที่ได้เกิดได้จากความสงบนี้เราสามารถมีได้ตลอดเวลาถ้าเรารู้จากวิธีสร้างมันขึ้นมาแล้วเราก็จะสามารถสร้างมันขึ้นมาได้เรื่อยๆนักษาให้มันอยู่กับเราไปได้เรื่อยๆและจะไม่มีวันจากเราไปถึงแม่ร่างกายนี้จะจากเราไปความสุขนี้ไม่ได้จากไปเพราะความสุขนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ความสุขนี้อยู่ที่ใจเกิดจากการทําทานเกิดจากการรักษาศีลห้ารักษาศีลแปเกิดจากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบและเกิดจากการเจริญปัญญาความสงบความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธินี้ก็ยังเป็นความสุขชั่วคราวสุขเฉพาะเวลาที่นั่งสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาถ้าไม่มีสติคอย คอยคุ้มครองรักษาเวลาเผอปล่อยให้เกิดความอยากขึ้นมาความสุขที่ได้นั้นก็จะถูกความอยากเหยียบย่ำทำลายไปถ้าไม่อยากให้ความอยากเข้ามาเหยียบย่ำทำลายความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิเวลาออกจากสมาธิก็ต้องใช้ปัญญารักษาใช้ปัญญาคอยทำลายข้าศึกศัตรูของความสงบนี้ด้วยการ พิจารณาสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการให้เราไปหามาว่ามันเป็นการหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการหาความสุขเพราะสิ่งที่เราไปหามาได้นี้ถึงแม้จะให้ความสุขกับเราก็เป็นความสุขเฉพาะเวลาที่เราได้มาแต่เวลาที่เขาจากเราไปความสุขนี้ก็จะหายไปแล้วไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราหามาได้จะอยู่กับเราไปได้ตลอด ไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะต้องจากเราไปอันนี้เป็นการสร้างความสุขขั้นสุดท้ายสร้างด้วยปัญญาคือรักษาความสุขความสงบที่ได้จากสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาต้องใช้ปัญญาคอยกำจัดตันหาความอยากต่างๆเวลาอยากจะทำอะไรอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกเิ่นกายเช่นอยากจะไปดูภา พ, พ ย, ายนตร์อยากจะไปดื่ม เครื่องดื่มอยากจะไปรับประทานขนมก็ใช้ปัญญามาสกัดว่าการกระทําแบบนี้เป็นการหาความสุขชั่วคราวเป็นการทําลายความสุขที่ถาวรที่เราได้จากการนั่งสมาธิแล้วจะทําให้เราทุกเวลาที่เราไม่สามารถหาความสุขแบบนี้ได้เวลาที่ไม่มีเงินซื้อขนมซื้อเครื่องดื่มหรือเวลาที่มีเงินแต่ไม่มีขนมขายไม่มีเครื่องดื่มขาย หรือเวลาที่ร่างกายไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่สามารถหาความสุขแบบนี้ได้สู้อยากไปหาดีกว่าพอเราหยุดความอยากไปหาความสุขแบบนี้ได้ความสงบที่เราได้จากสมาธิก็จะคงอยู่กับเราต่อไปอันนี้คือการรักษาความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิให้อยู่กับเราไปตลอดโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิ ถ้าเรามีปัญญาคอยกำจัดตัณหาความอยากต่างๆเช่นการมักตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราตัดความอยากบบ น, นี้ไปได้หรืยวิภาวะตัณหาความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตัดมันไปได้ทำลายมันไปได้ด้วยการเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราอยากนี้มันไม่ได้เป็นของเรามันจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดมันจะต้องมีการพัดภาคจากกันในที่สุดเราอย่าไปอยากปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาจะดีก็ปล่อยเขาดีไปเขาจะชั่วก็ปล่อยเขาชั่วไปเขาจะมาก็ปล่อยเขามาเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปเขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายก็ปล่อยเขาไปอย่าไปยุ่งกับเขาแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์ใจของเราจะสุขตลอดเวลา สุขจากการที่เราได้ความสงบจากการนั่งสมาธิและรักษาด้วยปัญญาด้วยการทำลายความอยากต่างๆที่จะมาทำลายความสงบของเหล่านี้เองถ้าเรารู้จักใช้ปัญญาสามารถกาจัดตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้วใจของเราจะไม่มีความทุกข์เลยจะมีความสุขไปตลอด ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับราบยศสารเสริญเกิดขึ้นกับรูปเสียงกลิ่นรสเกิดขึ้นกับร่างกายของเหล่านี้จะไม่มาทําให้ใจของเราเดือดร้อนเลยเพราะใจของเราไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านี้แล้วนั่นเองใจของเรามีสิ่งที่ดีกว่าคือความสงบเป็นที่พึ่งเป็นที่ให้ความสุขดังนั้นพระพุทธเจ้าพระอานันตสาวกท่านหลายท่านจึงไม่ทุกข์กับความตายของท่านความตายของร่างกาย ถ้าไม่ทุกข์กับการเจริญหรือการเสื่อมของลาบยศสรรเสริญกครจะสรรเสริญยกย่องเยนยอท่านก็ไม่รู้สึกอะไรใครจะดา่าใครจะว่าท่านก็ไม่รู้สึกอะไรใครจะให้เงินทองมามากน้อยเพียงไรก็ไม่รู้สึกอะไรใครจะขโมยเงินทองที่ได้มาไปท่านก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเพราะท่านไม่มีอะไร ไ, ไม่ได้ไม่เสียไปกับมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีเสี่งเหล่านี้มาให้ความสุขกับท่าน พราะท่านมีความสุขที่ดีกว่าคือความสุขที่เกิดจากการภาวนาสามถะภาวนาก็คือสมาธิวิปัสนาภาวนาก็คือปัญญานี่เองนี่แหละคือความสุขที่เราจะได้รับจากการมาพบกับพระพุทธศาสนามาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้คำตอบว่าเราเกิดมาทำไม เราเกิดมาเพื่อมาหาความสุขแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบนั่นเองเพราะจะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ทำให้เราไม่ต้องกลับมามีร่างกายเพื่อมาหาความสุขต่างๆอีกต่อไปเพราะถ้าเราอย่างหาความสุขด้วยร่างกายเราก็จะต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่ไปอยู่ได้เรื่อยเวลาร่างกายเก่าของเราตายไป เป็นเวลาร่างกายอันนี้ตายไปถ้าเรายังต้องใช้ร่างกายนี้หาความสุขต่างๆพ อ, อไม่มีร่างกายอันนี้เราก็จะกลับไปหาร่างเราก็จะไปหาร่างกายอันใหม่มามาหาความสุขใหม่เราก็จะกลับมาเกิดพอกลับมาเกิดก็ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายไปอ ก, ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดต้องมาล่องห่มล้องไห้เวลาพัดพาคจากกัน เวลาอยู่ร่วมกันก็สนุกสนานเฮฮากันดีก็เป็นเรื่องชั่วคราวเพราะไม่มีใครจะอยู่ร่วมกันไปได้ตลอดเดี๋ยวถึงเวลาต่างคนก็ต้องต่างก็ไปกันคนละทิศคนละทางกันพอเวลาเกิดการพัดพาจากกันก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจตามมานี่คือความสุขที่พวกเรากำลังหากันถ้าเรายังหาลาบยศรเสิร์ญหาลูกเสียงกลิ่นลดผลทพะอยู่ หาความสุขจากร่างกายอยู่พอเวลาร่างกายแก่เจ็บตายเวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเวลาเสื่อมจากลาบยศสรรเสริญเสื่อมจากรูปเสียงกลิ่นลดผลเถรภาเวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาฉะนั้นขอให้เราเห็นโทษของการหาความสุขแบบนี้ให้เรามาเห็นคุณของการหาความสุขแบบพระพุทธเจ้ากันดีกว่าหาความสุขด้วยการทาบุญทาทาน หาความสุขด้วยการรักษาศีลศีลห้าศีลแปดขึ้นไปตามลาดับแล้วก็มาภาวนากันมาทำใจให้สงบกันพอออกจากสมาธิก็ใช้ปัญญารักษาความสงบนี้ด้วยการคอยทําลายความอยากต่างๆที่ยังมีอยู่ในใจให้มันหมดไปพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วก็ไม่มีอะไรจะต้องทำอีกต่อไปไม่มีอะไรจะต้องคอยทําลายอีกต่อไป เราไม่มีอะไรจะต้องรักษาความสุขที่เราได้รับที่มีจากการภาวนานี้มันจะอยู่ของมันไปตลอดการในทางพุทธศาสนาก็หมดสิ้นลงการเวียนว่ายตายเกิดก็หมดสิ้นลงใจก็มีแต่ความสุขไปตลอดอนันตการนี่คือคำตอบของของว่าทำไมเรามาเกิดกันทำไม เรามาเกิดเพื่อเรามาหาความสุขแบบพระพุทธเจ้าเลิกหาความสุขแบบที่เราเคยหากันอยู่เพราะเป็นการหาความทุกข์หาการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองหาความสุขแบบพระพุทธเจ้านี้เป็นการยุติการเวียนว่ายตายเกิดเป็นการทำลายความทุกข์ทั้งหมดที่เราเคยมีอยู่ให้หมดไปจากเราแล้วเราจะมีความสุขไปตลอดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา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 ถ้าอยากจะถามก็ขอเชิญขึ้นมาถามทางไมโครโฟนได้หรือจะส่งคำถามเข้ามาทาง Facebook Live ก็ได้ส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือจะเขียนข้อความแล้วฝากให้คนส่งมาให้พิธีกร อ, อ่านให้ฟังก็ได้ตตอนนี้จะมีชาวต่างประเทศอยากจะถามปัญหาก็จะให้เขาถามปัญหาก่อนโอเค you can ask your question now Yes. Um, can you give a small uh, uh, explanation of what you just said at uh, the last hour? Okay. Please. I just said that we, as human being, s when we are born, have we ever asked why do, why are we here? What do we do? What do we do here? What is there any purpose? Yes. Yeah. If we haven't come across the teaching of the Buddha, we would not know the real reason why we are here. But if we have come across the Buddha's teaching, we will know that the reason why we are here is to look for real happiness, true happiness. And the only person who knows this real or true happiness is the Buddha. He has found the true happiness, and then he then. Tell other people how to find this true happiness. If we follow his teaching, practice what he tell us to do, we will also meet and find this happiness. And the way to find this happiness is to practice the three steps of his teaching. The first step is to be ch charitable, to give, to give to help people. Instead of spending money for yourself, you should spend money for other people. You should only spend money for your body, but you should not spend money for pleasure, like going on vacation, going to dance, going to parties, going to movies. All this kind of happiness is false kind of happiness. They are temporarily. Once you have experienced it, they disappear, and they leave you hunger for more, and will make you keep looking for this kind of happiness forever, without really fulfilling yourself. The way to fulfill your happin yourself with the right kind of happiness is the happiness that you gain from giving to charity when you donate your money for Good cause, helping other people, make other people who is less fortunate than you are to be able to have some kind of happiness. Then you feel good, you feel better, and it will not make you need to look for money all the time. Because once you have this feeling good, you can, you don't have to spend money on other things. And if you don't have money to give to charity, that it doesn't it doesn't hurt you. You can be happy without having any money to spend. Yeah. Then the next step is to keep the precept, abstain from doing things that will hurt other people, like killing, stealing, committing adultery, uh, lying, and drinking alcohol. This uh, The thing that will make you feel bad once you have done it. If you don't do it, then you don't feel bad from this a c t i v i t i e s And the, the third step is for you to to practice meditation to calm your mind, to stop your mind from thinking. When your mind stops thinking, your mind become peaceful and happy. And you will find that this kind of happiness is much better than and any other kind of happiness. And then can make you you you find the real happiness because this kind of happiness will stay with you all the time even after you die because you don't need this kind of you don't need the body to have this kind of happiness all you have is the ability to concentrate your mind to stop you from thinking once you stop thinking your mind will become peaceful and happy yeah. so this is the the three steps. That will make us find this kind of happiness. Once we have this kind of happiness, we don't have to come and reborn again, yeah. because we don't need to use the body to make us happy. Right now, we use the body to make us happy. We have to have a body in order we so that we can go here and there, see things, hear things, eat and drink, and do all sort of thing with the body. But when there is no body, we become sad, we become hurt. So we need to look for a new body in order to be able to find more happiness. So, but when you are born, you then you are subjected to getting sick, getting old, and die again, which is no good. Being born is bad because you have to get sick, get old, and die, and nobody wants to get sick, get old, and die. When we get sick, get old, and die, we suffer. We're not happy. So it's better not to be born. And that, in order not to be born, we have to have this other kind of happiness: the happiness within our mind, within ourselves, the happiness that we create from giving to charity, from keeping the precepts, and from meditating, from meditation. So this is basically what I. Said. So I do. Okay, you can read my from the books that I gave you. Okay, is that enough for you? Yes. Okay, can you give the microphone to the lady so she can ask question. Other people have question they want to ask. ทางบ t านจากผู t h าก a าม หนูขอโอกาสส่งการบ้านเรื่องทำตัวเป็นแฉวเป็นแผ่นดินค่ะเมื่อคืนได้รับอีเมลจากเพื่อนชาวต่างชาติที่เขาบอกให้หนูช่วยอำนวยความสะดวกช่วยทำโน่นทำนี่ให้เขาแวบแรกที่หนูก็รู้สึกไม่พอใจเพราะเขาอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าหนูทุกอย่างเขามีคนดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีในขณะที่หนูไม่มีแถมยังถูกเพิกเฉย ก็ทำให้หนูอิจฉาเขาลึกๆแต่อะไรที่หนูพอจะช่วยเหลือเขาได้แบ่งปันเขาได้หนูก็ทำเท่าที่ทำให้ได้เพียงแต่ในใจมันก็ยังรู้สึกอิจฉาลึกๆพออ่านอีเมลเสร็จความไม่พอใจมันก็พุ่งขึ้นมาเกือบตอบอีเมลเขาไปว่าจะเอาอะไรกับฉันอีกทำให้ขนาดนี้ยังไม่พออีกหรือแต่สติยังตามทันไม่ตอบอีเมลไปแบบนั้น แล้วก็มานั่งคิดและสอนตัวเองว่าถ้าเราเป็นแฉวเป็นปาฏพีใครจะทำอะไรก็ได้อันนี้มันคือข้อสอบแล้วว่าเราเป็นอะไรได้จริงไหมถ้าอยากจะเอาชนะกิเลสตัวเองก็ต้องทำให้เขาตามที่เขาขอมันไม่ได้เหลือบา ก, กว่าแรงดีเสียอีกได้ใช้ความสามารถของเรารับใช้ผู้อื่นทำให้ผู้อื่นมีความสุขที่หนูคิดแบบนี้ถูกไหมคะ กับการที่จะทำตัวเป็นแผ่นดินแล้วการที่จะวางใจปล่อยวางความอิจฉาแล้วมีเมตตาต่อเพื่อนคนนี้จริงๆหนูจะต้องคิดและพิจารณาอย่างไรคะก็ดูที่ใจของเราเราคิดแบบนี้แล design, oh ้วใจเราสบายหรือไม่สบายถ้าเราสบายเรามีความสุขก็แสดงว่าถูกทางถ้าเรายังไม่สบายก็แสดงว่ายังไม่ถูกทางหรือยังทำไม่ได้ คำถามจากผู้ฝากถามบางวันที่หนูนั่งสมาธิพอพุทโธพุทโธไปจนควบคุมความคิดไม่ได้ฟุ้งซ่านมากจะรู้สึกเหมือนใจไม่มีอะไรให้เกาะมันรู้สึกโดดเดี่ยวจนไม่อยากนั่งต่อต้องลุกมาเดินจงกลมอย่างน้อยก็รู้สึกว่าใจมีที่เกาะคือร่างกายที่เดินไปเดินมาแล้วหนูก็มาทบทวนว่าที่ไม่สมะสามารถสงบได้ลึกไปกว่านี้ เพราะกำลังสติไม่พอที่จะฝืนความรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วนั่งพุโทโธพุโทโธต่อไปจนถึงความสงบลึกๆใช่ไหมคะถูกต้องเราต้องพยายามเจริญสติให้มากเจริญทั้งทั้งวันเลยก่อนที่เราจะมานั่งสมาธินี้ควรที่จ ะ, จะเจริญสติอย่างตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับร่างกายหรืออยู่กับพุโทโธไป คำถามจากคุณยายน้องบีมโยมนั่งสมาธิพอจิตรวมแล้วมองเห็นเหมือนเขาจุดพลุบนท้องฟ้าเป็นสีม่วงสว่างวาวๆาเป็นสามครั้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวสามครั้งเหมือนกันแล้วโยมก็รู้สึกเสียวที่หน้าผากเหมือนคนอื่นเอานิ้วมาจี้หน้าผากเราแล้วมีดวงไฟพุ่งออกมาจากหน้าผาก เป็นสีส้มแล้วก็มีน้ําไหลออกมาจากไหนก็ไม่รู้เป็นสีขาวขุ่นโยมก็มองก้มดูในน้ําที่หน้าผากส่องลงไปในน้ําที่โดนไฟส่องจะใสามากมองเห็นดินทรายเพราะน้ําที่ขุ่นนั้นจะแหวกเป็นทางให้โยมก็ดูว่าคืออะไรทําไมไฟถึงพุ่งออกมาจากหน้าผากเราแต่ยังไม่ได้คําตอบพระอาจารย์ที่พานั่งสมาธิก็พูดขึ้นมาว่าสมควรแก่เวลา จิตโยมเลยถอนต่อมาโยมนั่งสมาธิจิตก็ไม่รว ม, มเพียงแต่สงบ ม, มันคอยแต่สงสัยถึงไฟที่ออกมาจากหน้าผากมันคืออะไรคะทําไมถึงมีไฟออกมาคะเคยการรวมแบบนี้ก็ยังไม่ถือว่ารวมจริงถ้ารวมจริงมันจะต้องไม่มีอะไรปรากฏให้เราเห็นให้เรารู้ถ้ารวมแบบนี้แสดงว่าไม่ไม่ถูกอย่าไปสนใจ อย่าไปตามรู้ตามดูสิ่งที่ปรากฏให้เราเห็นควรที่จะอยู่กับการภาวนาต่อไปพุพโทโธไปแลดูลมหายใจไปอย่าไปตามดูเหตุการ์ต่างๆเพราะนี่ไม่ใช่เป็นสมาธินะสมาธินี่จะต้องว่างจะต้องเย็นต้องสบายต้องไม่มีอะไรมีแต่ตัวรู้ตัวเดียวถึงจะเรียกว่าสมาธิที่แท้จริง คำถามจากคุณข้าราชดอนตอนนั้นผมกลัวตายมากเกิดอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะคิดว่าจะตายปวดหัวอยู่ดีๆก็อยากจะร้องมันอึดอัดในหัวใจมากจนรู้สึกทนไม่ไหวต้องไปกราบถามหลวงปู่เมืองที่กาลสินท่านบอกว่าให้ภาวนาถึงความตายบ่อยๆก็ทำไปตามที่ผมเข้าใจก็รู้สึกดีขึ้นจนคืนหนึ่งภาวนาไปยิ้มไปแล้วก็มีน้าตาไหล ทีนี้มันอยากจะหัวเราะออกมาแต่ผมคิดว่าถ้าหัวเราะคงบ้านแน่ๆผมเลยหยุดแต่มันทําให้อึดอัด บ, บีบผัวใจฟุ้งซ่านเหมือนมีอะไรพุ่งออกจากหัวกระสับกระส่ายสุดๆมันเกิดอะไรครับหลังจากนั้นแค่สวดมนต์ยังไม่ได้เลยกลัวมากครับเพราะว่าเราไม่ควบคุมใจให้สงบนั่นเองเราก็ควรจะภาวนาต่อไปอย่าปล่อยให้ใจ ไม่มีการควบคุมบังคับคำถามจากคุณมณีรัตน์ตอนอยู่ชั้นประถมหนูฝึกนั่งสมาธิภาวนาตามลมหายใจพุทโธและนั่งมาเรื่อยๆปัจจุบันปิดเทอมหรือมีวันหยุดหลายวันจะไปรักษาศีลแปดและเดินจงกรมที่สถานปฏิบัติธรรมแต่ที่นั่นให้ภาวนาโดยยุบหน่อพองหนอทำให้จิตไม่นิ่งสับสนทาให้จิตสงบยาก ใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงถึงจะสงบหนูควรจะฝึกภาวนาอย่างไรถึงไม่สับสนคะแต่หนูแต่เวลาหนูให้นักเรียนนั่งสมาธิหนูจะให้เขาภาวนาพุทโธค่ะเออก็แล้วแต่สถานที่ที่เราไปถ้าเขาสอนวิธีไหนก็อย่าไปขัดกับคําสอนของเขาแต่เวลาเราทําเราก็ไม่ต้องไปบอกเขาว่าเราไม่ได้ทําตามที่เขาสอนเราทําวิธีที่เราถนัด คือการทําใจให้สงบนี้สามารถทําได้หลากหลายวิธีด้วยกันมีกรรมฐาน40ชนิดที่สามารถใช้เป็นเครื่องกล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบได้ดังนั้นเวลาเราภาวนาเราก็ภาวนาวิธีที่เราถนัดไปแต่เราไม่ต้องไปบอกเขาไปค้านเขาว่าเราวิธีเขาไม่ถูกไม่ดีอะไรไม่ควรเราก็ภาวนาไปเวลาเราภาวนาเขาไม่รู้หรอกว่าเราใช้วิธีไหน ไม่จำเป็นจะต้องไปบอกเขาเราก็เราก็ทาวิธีที่เราได้ผลก็แล้วกันวิธีที่เราไม่ได้ผลก็ไม่ต้องทำคาถามจากผู้ฝากถามเมื่อวานผมไปยืดเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้โหลดหนังโป๊เจ้าของเซิร์ฟเวอร์อายุแค่23าปีไม่รู้จะช่วยอย่างไรเพราะตั้งหลักตั้งแต่แรกแล้วว่าจะจับอย่างเดียวพ อ, พอ พอตอนนี้จะจับก็สงสารอายุยังน้อยจะมีอุบายหรือวิธีคิดอย่างไรเพื่อช่วยบรรเทาความไม่สบายใจตรงนี้ครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะไ ม, ไ, ไม่ได้แจ้งมาค่ะสสจะไปจับจเลยแล้วมีหน้าที่ก็จับไปเขาจะได้เข็ดหลบับคำถามจากคุณบางออนเวลานั่งสมาธิจิตเราอยู่กับพุโทโธไม่เกินห้านาทีจะต้องทาอย่างไรดีคะ ก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นพยายามฝึกสติบ่อยๆฝึกทั้งวันเอาตั้งแต่ตื่นเลยพอเลืมตาก็ฝึกสติไปพุโทโธไปทําอะไรก็ให้มีสติกับสิ่งที่เรากาลังทาอยู่หรือให้มีพุโทโธกากับใจไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องรา่าต่างๆแล้วต่อไปนั่งสมาธิจะนั่งได้นานและจะนั่งได้สงบคาถามจากผู้ฝากถามเนื่องจากใกล้เทศกาลกินเจ ขอพระอาจารย์ได้โปรดให้ข้อคิดสำหรับผู้ที่รับประทานอาหารเจครับก็บอกแล้วว่าการกินเจนี่มันก็เป็นการกินผักถ้ากินผักแล้ววิเศษวัวควายมันก็วิเศษไปนานแล้วดังนั้นการกินผักไม่ได้วิเศษอะไรการกินเนื้อก็ไม่ได้ชั่วช้าต่ำซามตรงไหนถ้าเป็นเนื้อที่ตายแล้วถ้าเป็นเนื้อที่เราไม่ได้ฆ่าเองหรือสั่งให้เขาฆ่ากินไปก็ไม่ต่างกับกินเจงั้น อย่าไปหลงไหลกับเรื่องที่เรากินสิ่งที่เรากินมากเกินไปให้หลงไหลให้ระวังกับการกระทาของเรากับความคิดของเราถ้าเราคิดอยากจะกินเนื้อสัตว์แต่ไปกินเจอย่างนี้มันก็ไม่ถูกก็เราต้องคิดว่าเราไม่อยากจะกินเนื้อสัตว์แต่เราก็จะไม่ทำลายฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาเนื้อของเขามากินบาปอยู่ที่การฆ่าเขาก็ดีหรือสั่งให้คนอื่นฆ่าให้เราก็ดี บาไม่ได้เกิดจากกินของที่ตายแล้วถ้าเราไปซื้อของที่ตายแล้วที่เขาขายตามตลาดนี้เราซื้อมานี้มากินไม่ไม่บาบไม่ต่างกับการกินเจแต่อย่างใดกินเจก็เป็นดินน้ำลมไฟกินเนื้อก็เป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกันกินเข้าไฟออกมาก็กลายเป็นอุจจระเหมือนกันไม่ได้ทำให้จิตใจเร็วขึ้นรลยชั่วลงไปหรือดีขึ้นแต่อย่างใด ใจิตใจเราจะดีหรือจะเลวอยู่ที่การรักษาศีลหรือไม่รักษาศีลถ้าเรากินเจแล้วเราไปตบยุงนี่มันก็มันก็ไม่ดีขึ้นมันเลวลงถ้าเรากินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วที่เราไม่ได้สั่งให้เขาฆ่าด้วยฆ่าเองแล้วเราเรารักษาศีลห้าได้เราเราก็จะดีกว่าคนที่กินเจอ่าหมดแลค่ะอ่าหมดแล้วนะเาส่งไม้ถังพิโต้ มีใครอยากจะถามก็ขึ้นมาถามได้นะหรือถ้าอยากจะคัดค้านความคิดเรื่องกับเรื่องกินเจก็ขึ้นมาค้านได้ครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook Live นะครับคำถามจากคุณวาสนานะครับวันพระเราอยู่รักษาศีลแปดรับศีลแปดแล้วพอเวลาพระท่านให้ศีลห้า เรากราบสามครั้งแล้วพนมมือไหว้ต่อทำถูกต้องไหมคะและอีกข้อเวลาจะใส่บาตรทำไมถึงต้องอถึงต้องช่วงพระขึ้นพาหงคะออเป็นธรรมเนียมเป็นความเข้าใจที่ไม่จำเป็นที่จะต้องทำก็ได้คือข้อข้อที่ เวลาพระให้พรแล้วเรากวดน้ำเขาจะสอนว่าช่วงแรกที่พระกล่าวคำยาถานี้เป็นการสอนบอกวิธีกวดน้ำว่าบุญที่เราทำในวันนี้เราสามารถแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ล่งรับไปแล้วได้ให้เราอุทิศใจของเราไปสู่ผู้ล่งรับให้เขามารับส่วนบุญอันนี้ของเราที่คนไม่รู้ว่า บุญเป็นยังไงเขาก็เลยให้เอาน้าเป็นตัวอย่างแทนบุญให้เทน้ำลงไปเหมือนกับส่งน้ำไปให้คนที่ตายแล้วก็เขาจะทำตอนช่วงที่พระกล่าวคำญาติถาพอพระท่านเริ่มสวดพร้อมกันสัพพีติโออันนี้เป็นช่วงที่พระท่านอนุโมทนาสแสดงความยินดีต่อการทำบุญของพวกเราว่าการทำบุญนี้จะมีอานิสงส์มากจะให้เราจเจริญด้วยอายุวรณนะสุขะพละ ตอนนั้นเราก็หยุดกวดน้ําพอผ้าเริ่มสวดพร้อมกันเราก็กวดน้ําให้เสร็จแล้วเราก็วางขวดน้ําไว้แล้วก็พนมมือรับพรต่อไปอันนี้เป็นพิธีกรรมของการกวดน้ําและการให้พรของของชาวพุทธเราถ้าพูดตามความจริงไม่ต้องใช้น้ําก็ได้แล้วก็เราจะอุทิศก่อนที่ผ้าสวดก็ได้ที่นพอเรา ทำบุญเสร็จแล้แลวใส่บาตรเสร็จปั๊บเราถวายของเสร็จปั๊บเราอุทิศเลยก็ได้ไม่ต้องมานั่งรอให้พระท่านสวดก่อน ถ, ถ้าเราจะรีบกลับบ้านก็ไม่ต้องมารอให้พระท่านสวดให้พรก็ได้นเพราะพรมันเกิดขึ้นแล้วจากการกระทำของเราเองพรไม่เกิดจากการพระสวดถ้าเราไม่ทําอะไรแล้วมานั่งให้พระสวดให้เราสวด ย, ยังไงพรก็ไม่มีเพราะพรมันเกิดจากการกระทำของเรา ที่เกิดจากการกระทำบุญของเราอันนี้ข้อที่หนึ่งเมื่อกี้ก็ถามเลยนะจำไม่ได้ข้อที่หนึ่ง อ, อยู่วัดรักษาศีลแปดรับศีลแปดแล้วพอเวลาพระท่านให้ศีลห้าเรากราบสามครั้งแล้วพนมมือไหว้ทําถูกต้องไหมคะก็เรามีศีลแปดแล้วเราก็เวลาพระท่านให้ศี 5, ลห้าเราก็ฟังเฉยๆมันไม่เกี่ยวกับเราแล้วคนที่ยังไม่ได้ถือศีลศีลห้าเขาก็จะว่าตามไป เรื่องเราจะว่าไปก็ได้ว่าเป็นไปแบบเป็นนกแก้วไปเป็นเหมือนกับเป็นการร่วมทําพิธีไปแต่ความเป็นจริงเราก็รู้อยู่แล้วว่าเรารักษาสิ่งแปดเยู่คําถามข้อต่อไปจากคุณธิดารัตน์นะครับลูกนั่งสมาธิทุกวันแต่จิตไม่ค่อยสงบอยากได้คําแนะนําดีๆจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ต้องมันพุโทโธไปเรื่อยๆพุโทโธไปทั้งวัน อย่าปล่อยให้ใจคิดวุ่นวายอย่าปล่อยให้ใจคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันถ้าจะคิดกายคิดเฉพาะแต่เรื่องที่ต้องคิดเวลาที่ทํางานเช่นต้องทําบัญชีต้องวางแผนอะไรก็คิดไปพอไม่จําเป็นจะต้องคิดก็มาพุทโธพุทโธถ้าใจไม่คิดก็ไม่ต้องพุทโธก็ได้แสดงว่าใจนิ่งถ้าใจคิดก็แสดงว่าไม่นิ่งเวลานั่งสมาธิใจจะนิ่งไม่นิ่งก็อยู่ที่ใจคิดหรือไม่คิด ถ้ามีสติคอยมีพุโทโธคอยกำกับไว้มันก็จะไม่คิดนั้นพยายามฝึกพุโทโธให้มากๆพอเวลานั่งสมาธิจะได้พุโทโธได้แล้วจะไม่คิดได้ถ้าไม่มีพุโทโธเวลานั่งมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แทนที่จะอยู่กับพุโทโธคำถามจากคุณเขมกุลชายานะครับระยะหลังเวลาทำสมาธิตัวและขอก้มลงมากๆเลยเจ้าค่ะ ไม่ได้หลับนะเจ้าคะก้มลงเกือบถึงพื้นเลยไม่ทราบว่าก้มลงไปตอนไหนแต่พอก้มมากๆเข้าก็จะรู้ว่าปวดคอและหลังทำให้การปฏิบัติต่อก็สงบไม่ได้เหมือนช่วงแรกที่ทำได้แล้วถ้าพยายามจะประคองไม่ให้ก้มก็จะสงบไม่ได้อาการนี้เพิ่งเกิดขึ้นหลังๆนี้แต่ก่อนไม่เป็นเจ้าคะ่ะ ทำต่อตอไปจะหายไปหรือไม่เจ้าคะต้องฝึกสติให้มากขาดสติพอนั่งไม่มีสติคอมันก็พับไปยั้นต้องพยายามฝึกสติให้มากๆพื่วมันจะไม่พับอย่างกรณ์เราเรานั่งคุยกันนี้คอไม่พับเพราะเรามีสติถ้าไม่มีสติก็คุยกันก็หลับไปพับไปยั้นต้องต้องประเข้าประคองสติให้ไว้ พอเวลานั่งเราไม่เราไม่ประครับประครองสติกันปล่อยให้สติหายพอสติหายมันก็พับเท่า น, นั้นเองคำถามข้อต่อไปจากคุณคูณวัดนะครับถ้าเราฝึกหัดสมาธิภาวนาด้วยตัวเองจากการศึกษาจากหนังสือซีดีครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นและในพระสูตรแต่เราไม่มีครูบาอาจารย์ที่สอนเราโดยตรง เราควรมีครูบาอาจารย์หรือไม่และถ้าควรมีเราควรมีวิธีหากูบาอาจารย์อย่างไรครับที่จะเหมาะสมและสมควรที่สุดทั้งกับตัวเราและคาารคคูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จากซีนีหนังสือก็เป็นประโยชน์แต่ก็มีข้อจำกัดว่าบางทีเราไม่แน่ใจเราก็ไม่รู้จ ะ, จะไปถามใคร แต่ถ้าเรามีครูบาอาจารย์ที่รู้จริง <ๆ S 1> เห็นจริงที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเวลาเรามีความสงสัยเราก็สามารถถามท่านได้ท่านก็จะช่วยกำจัดความรังเลยสงสัยต่างๆให้กับเราได้วิธีจะหาก็ต้องหาด้วยการออสอบถามในเบื้องต้นก็ถามคนนั้นถามคนนี้ไปว่าพระรูปไหนเป็นยังไงแล้วพอเราแล้วเราก็มา ดูคุณสมบัติของท่านดูประวัติของท่านว่าท่านอยู่กับใครศึกษากับใครมีใครเป็นครูเป็นอาจารย์อะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เหมือนกับเวลาเรารับคนมาทํางานเนี่ยเราก็ดูประวัติของเขาว่าเขาจบจากที่ไหนจบจากจบจากจุฬาหรือจบจากห้องแถวที่ไหนเนี่ยมันก็เราก็จะได้รู้ว่าเขามีความรู้ความสามารถจริงหรือไม่อันนี้ก็เป็นขั้นต้นขั้นที่สองก็เมื่อเรา ได้ศึกษาประวัติของท่านแล้วแล้วเราก็ต้องไปลองไปไปไปไปพบตัวท่านไปฟังที่ไปดูการปฏิบัติของท่านดูคาสอนของท่านดูวัดของท่านว่าเป็นอย่างไรมันก็จะทำให้เรามีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะทำให้เราเสามารถเลือกได้ว่าควรจะเลือกออครูบาอาจารย์รูปไหนแล้วขั้นต่อไปก็ มีคำถามสงสัยอะไรก็ไปถามท่านดูแล้วดูว่าท่านตอบคำถามของเราแก้ปัญหาของเราได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นวิธีการเลือกครูบาอาจารย์คำถามข้อต่อไปจากคุณโมนีนะครับตอนเช้าที่พระอาจารย์ออกบิณฑบาตกันมีเวลาจำกัดไหมคะว่าต้องกลับเข้าวัดภายในกี่โมงเพื่อสวดมนต์ทำวัดเพราะหนูเห็นพระ ที่กรุงเทพบางองค์เวลา8โมงกวา่วาๆยังบินธบาตอยู่เลยแต่ละวัดก็มีเวลาไม่เหมือนกันยันก็แล้วแต่แต่ละวัดบางวัดเขาไม่มีเวลาที่ก็จะทำวัดตอนก่อนออกบินธบาตก็ได้สวดมนต์ตอนก่อนออกบินธบาตหลังจากนั้นเขาก็ว่างไปจนถึงเพงเขาจะบินธบาตถึงเพงก็ได้อันนี้ก็แล้วสายบินธบาตมันก็บางทีใกล้บางทีก็ไกลมันไม่เหมือนกัน เวลาของแต่ละวัดยังไม่เหมือนกันคําถามจากคุณพัชรีนะครับคนที่เขาพูดว่าพระเขาจะบาปมากขนาดไหนเจ้าคะแล้วถ้าเราเตือนเขาแล้วแต่เขาไม่ฟังเราก็ต้องปล่อยวางใช่ไหมเจ้าค ะ, ะการว่าคนอื่นนี้มันก็ไม่ได้บาปกรรมตรงไห น, นมันเพียงแต่เสียเวลาเปล่าๆไปว่าเขาทาไมมาว่าตัวเราเองจะเกิดประโยชน์กว่า แล้วคนอื่นเขาจะดีจะชั่วก็ไม่ได้ทำให้เราดีชั่วตามเขาไปจากการที่เราไปว่าหรือไปชมเขาควรที่จะมาว่าตัวเรามากกว่าควรจะมาดูโทษของตัวเราจะดีกว่าเพราะเราจะได้รับประโยชน์เมื่อเรารู้ว่าเราผิดตรงไห น, นเราจะได้แก้ไขทำให้มันถูกคำถามจากคุณเกษราตอนที่นั่งฟังพระอาจารย์อยู่นั่งสมาธิไปด้วยได้ไหมคะ ถ้านั่งสมาธิก็ไม่ต้องฟังเพราะว่ามันเป็นกิจกระย่างกันถ้าเราต้องการนั่งสมาธิเช่นต้องการดูลมหายใจหรือพุโทโธเราซู้ปิดปิดเสียงดีกว่าจะได้ไม่มาชนกันมารบกวนกันการฟังธรรมนี้เป้าหมายหลักก็คือต้องการได้ปัญญาและต้องการได้ความรู้จากการฟังเทศฟังธรรมแต่ถ้าเราไม่ต้องการความรู้ต้องการสงบเราก็ยังฟังได้ฟังแบบไม่ต้องคิดตาม ใช้เสียงของธรรมที่เราได้ยินนี้เป็นเป็นเป็นอารมณ์กล่อมใจเดาก็ได้หรือว่าถ้าเราไม่อยากจะใช้เสียงธรรมนี้เราก็ปิดเสียงธรรมแล้วเราก็ใช้พุโทโธของเราไปคำถามจากคุณสุภาชาตมั่นดาของผมกินเจมาประมาณหปีกินเจแบบกินเจทุกมื้อครับแต่ลูกหลานเป็นห่วงว่าการที่ท่านไม่ได้กินเนื้อสัตว์ อาจจะส่งผลต่อร่างกายระยะยาวครับควรมีวิธีพูดอย่างไรกับมารดาดีครับก็เป็นความเห็นของเราซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริงก็ได้เพราะคนที่ก็กินเจทั้งชีวิตเขาก็อยู่อายุยืนยาวนานไปได้เหมือนกันเฉนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าเรายังเรายังไม่ได้รู้จริงเราอย่าไปกังวลเลยปล่อยให้คุณแม่เขาทำอะไรตามใจเขาดีกว่า ถ้าเขาทำแล้วเ็ามีความสุขดีกว่าไปทาไปบรบกวนใจท่านทาให้ท่านไม่สบายใจเปล่าๆคำถามหมดแล้วครับอาจารย์มีใครอยากจะถามเพิ่มไหมไม่ดได้ เ, เดี๋ยวก็ลองนั่งสักพักหนึ่งดูกันเดี๋ยวก็คงจะมีคำถามเข้ามาอีก เ, อเรื่องของคนอื่นนี้ถึงแม้เราจะลากเขา หวังดีต่อเขาเราก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งกับเขาจะดีกว่าเพราะความหวังดีของเรากับการเป็นการประสงค์ร้ายไปโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเป็นการไปทําร้ายจิตใจเขาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะว่าเขากําลังมีความสุขกับการกระทําของเขาอยู่ไอ้เราก็จะไปเอาไปขัดไปขวางเขาเหมือนเขากําลังจะหามอยู่อย่าไปเอาทานไปไปสอดนะเข้าใจไหมตาเขามีความสุขจากการ กินเจเขปล่อยเขากินไปเขาไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่เราไปเดือดร้อนเองเดือดร้อนเราก็เราก็อยากกินเท่านั้นเองถ้าเรากลัวว่าจะตายจากการจากการไม่ได้กินเนื้อสัตว์เราก็อย่าอย่าไปกินเจก็แล้วกันส่วนแม่เขาไม่เดือดร้อนก็ปล่อยเขาไปเขามีความสุขก็ปล่อยเขาทาไปเราต้องการให้แม่มีความสุขไม่ใช่เหรอถ้าต้องการให้แม่มีความสุขก็ปล่อยให้แม่เขาทาไปสิสิ่งไหที่เขาทำแล้วไม่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายก็อย่าไปอย่าไปห้ามดีกว่า แต่ถ้าเป็นการทำสิ่งที่มันผิดกฎหมายผิดศีลธรรมก็ควรที่จะไปขอร้องได้แต่ถ้าเราเป็นลูกก็ต้องระวังเพราะว่าเราไม่ใช่อยู่ในฐานะที่จะไปสอนพ่อสอนแม่ได้แทนที่จะทำให้พ่อแม่สบายใจกับทาให้เขาเสียใจว่ากูเลี้ยงลูกมาแทบเป็นแทบตายเพื่อให้มันมาเป็นพ่อแม่กูเหรออย่างนี้กูไม่เลี้ยงมันตั้งแต่วันแรกไม่ดีกว่าจับมันยัดน้าเข้าไปให้มันสิ้นเรื่องสิ้นล้วใช่ไม เราต้องดูฐานะของเรานะเราเป็นลูกไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่อย่าไปทําตัวเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยพ่อแม่เสียใจยมากเพราะเรื่องเนี้ยลูกชอบมาทําตัวเป็นพ่อเป็นแม่ลูกเป็นพ่อแม่ของพ่อแม่อีกทีนึง่งเรื่องอุตสาห์เลี้ยงมันมาแทบเป็นแทบตายหวังจะพึ่งมันในยามแก่มันกลับมาเหยียบย่ําทําลายจิตใจเราด้วยการมาอวดเกง่งอวดดีกว่าเรา เนียมันเังนั้นขอให้ระมัดระวังกับพ่อแม่เราต้องเทิดทูนยกท่านบูชาท่านเคารพท่านให้ความสําคัญต่อท่านห้ามสั่งห้ามสอนพ่อแม่เปน็นอันขาดนนอกจากท่านให้ขอความเห็นจากเราเราค่อยบอกไปถ้าท่านถามว่าแม่ลูกแม่กินเจอย่างนี้ดีไหตอตอบไปเลยแม่ไม่ดีหรอกหมอเขาบอกกินแล้วเดี๋ยวจะตายถ้า <laughs> ถ้าแม่เขาไม่ได้ถามก็อย่าไปยุ่งกับแม่เขาเลย ให้แม่ก็มีความสุขเถิดนะเขาทำอะไรเราควรจะทำตัวเป็นแจ๋วเป็นคอยรับใช้แม่ต้องการอะไรรับใช้ไปเลยแม่ต้องการให้ไปซื้อผักมาทำกับข้าวให้ไปเลยแม่ต้องการอะไรทำได้ทำให้ไปเลยคิดถึงตอนที่เราทำอะไรไม่ได้แล้วแม่ทำให้เราท่านต้องลาบากกับเราดึกดึงดืนๆแล้วก็ร้องขึ้นมาอยากจะฉี่อยากจยากทำอะไรก็ร้องขึ้นมาเพราะแม่ก็ต้องลุกขึ้นมาปอบมา มาทำอะไรให้เราท่านไม่เคยบ่นเลยสักคำเดียวดังนั้นขอให้เราพยายามคนึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่แล้วพยายามอยากทำตัวเป็นพ่อเป็นแม่ของท่านถึงแม้ว่าจะหวังดีแต่มันประสงค์ร้ายเข้าใจไหมมีคำถามนะครับพระอาจารย์จากคุณเท่หล่อนะครับ ปรารถนาพระโสดาบันต้องบำเพ็ญบรารมีอย่างไรครับในนันะ้ก็ต้องทําทานไปรักษาศีลไปภาวนาไปทําใจให้รวมให้สงบแล้วก็พิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นเพียงดินน้ำหนุนไฟร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราปล่อยวางร่างกายได้ไม่ยึดไม่ติดไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายเราก็บรรู้เป็นโสดาบันได้ คำถามจาคุณลือชานะครับขณะนั่งสมาธิเมื่อจิตสงบแต่บางขณะเมื่อเกิดความคิดเรื่องเก่าๆขึ้นมาเราตามรู้หรือพิจารณาว่ามันคือสัญญาไม่ใช่ตัวเราได้ใหม่ครับไม่ควรตามรู้ควรจะหยุดมันควรจะหยุดคิดหยุดจาให้กลับมาอยู่กับความว่างเวลานั่งสมาธินี้ต้องการหยุดความคิดความจาต่างๆ ให้อยู่กับความว่างเพียงอย่างเดียวพอมันจะคิดมันจะจําก็พุโทโธหยุดมันไว้อย่าปล่อยให้มันคิดให้มันจำํคำคําถามจะคุณศีวันนะครับเราพาพี่น้องไปวัดใส่บาตสวดมนต์ตอนเย็นเราจะได้บุญไหมคะใส่บาตตอนเย็นเหรอไม่รู้มีด้วยนะคงจะหมายถึงว่าไปทําบุญมั้ไม่ได้ใส่บาตรมัะ ไปทําบุญก็ไปได้ไปทําที่วัดก็ได้ไปถวายปัจจัยอ๋อไม่ใช่ครับพระอาจารย์คือไปใส่บาทแต่ว่าสวดมนต์ตอนเย็นครับพระอาจารย์ก็ดีเป็นกิจกรรมที่ดีเขาเขาจะได้บุญไหมครับอาจารย์คนพาไปก็ได้เป็นในฐานะเป็นมักขุเทศแต่ไม่ได้แต่ถ้าต้องทําด้วยถึงจะได้บุญเท่ากันแต่ถ้าพ า, พาเข้าไปแล้วตัวเองก็ไปนั่งดูวีดีโอข้างนอกรอให้เขาสวดเสร็จแล้วก็พาเ้ากลับบ้านนี้ ก็จะได้แต่เฉพาะเป็นเหมือนคนขับรถพาเข้าไปอาจจะไม่ได้บุญจากการไปสวนมนไหว้ยพระคำถามจะคุณภูสิปานะครับหากเราทำสมาธิมากพอแล้วจนจิตมีกำลังเป็นปกติควรเริ่มทำวิปัสสนาอย่างไรเจ้าคะก็ควรพิจารณาร่างกายหรือพิจารณาสิ่งที่เรารักเราหวงว่าไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงว่ามันไม่เที่ยงมันมี มีวันที่จะจากเราไปได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้าเราเตรียมตัวไว้ก่อนว่าเขาจะต้องจากไม่ยึดไม่ติดเวลาเขาจากเราก็จะไม่ทุกข์เวลาอยู่เราก็จะไม่กังวลเนี่ยการเจริญปัญญาเพื่อดับความทุกข์ดับความกังวลใจต่างๆให้เราอยู่อย่างเป็นสุขโดยที่ไม่เดือดร้อนกับการจากไปของสิ่งต่างๆที่เรารักที่เราหวงคําถามจากคุณโมนีนะครับ สวดมนต์ทำวัดเย็นกับทำวัดเช้าเป็นบทสวดสำหรับพระสงฆ์หรือคารวะทั่วไปก็สมควรจะสวดคะ อ, อ๋อสวดได้ทุกคนคือการสวดนี้ไม่ต้องเข้าใจความหมายก็ได้เพราะการสวดนี้มีประโยชน์สองอย่างประโยชน์อย่างแรกก็คือทําใจให้สงบถ้าต้องการทําใจให้สงบนี้ไม่ต้องเข้าใจความหมายก็ได้เป็นอุบายให้เราไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆให้เราคิดอยู่กับบทสวดมนต์ พอเราอยู่กับบทสวดมนต์ใจเราก็ว่างไม่วุ่นวายไม่กังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจเราก็เย็นสบายมีความสุขอันนี้เรียกว่าสมาธิถ้าเราสวดแล้วเราเข้าใจบทเข้าใจความหมายของบทที่เราสวดเราก็จะได้ปัญญาได้ความรู้เพราะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคำถามจากคุณชายน้อยการฆ่าสัตร์เพื่อถวายเป็นพระตาหารเป็นบาปไหมครับ พระพุทธเจ้าเคยตัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับแล้วถ้าเคยพระองค์ตัดอย่างไรครับคือท่านทรงท้ามพระไม่ให้รับเนื้อสัตว์ที่เขาเจาะจงฆ่ามาเพื่อถวายให้กับพระโดยตรงเช่นสมมติโยมมีมีไก่แล้วก็เห็นอยากจะทำบุญทุง น, นี้ทำแกงไก่ ก็เลยฆ่าไก่ที่มีอยู่นี่แล้วก็ทําแกงไก่ไปถวายพระแด้เวลาไปถวายก็ไปบอกว่าเนี่ยผมตั้งใจฆ่าไก่ตัวนี้เพื่อมาทําบุญกับหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อช่วยรับแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้ผมด้วยแต่อย่างนี้ถ้ารู้ก็รับไม่ได้แต่ถ้าเขาไม่บอกก็รับได้เพราะเราไม่รู้ว่าเขาทําเจาะจงเพื่อเราแต่ถ้าเขารู้เราก็ต้องสอนเขาว่าห้ามทําห้ามฆ่าสัตว์เพื่อเอามาทําบุญน แต่ถ้าไก่ที่บ้านเกิดมันตายไปถูกรถเหยียบตายอย่างนี้ก็เอามาทําได้เอามาถวายพระได้แต่อย่าไปฆ่ามันเพื่อที่จะเอามาทําบุญเพราะว่ามันได้ไม่คุ้มเสียบุญที่ได้จากการทําบุญกับบาป ท, ที่ได้จากการฆ่าไก่นี้มันต่างกันตายไปเราจะต้องไปเป็นไก่ให้เขาฆ่าอถ้าเราไม่ฆ่าเขาเราก็ไม่ต้องไปเป็นไก่แล้วก็กลับมาเป็นคนได้ คำถามจะคุณสินีนะครับฟังธรรมพระอาจารย์เกือบทุกวันเท่าที่ทําได้และพยายามปฏิบัติตามที่ท่านสอนเพื่อตอบแทนคุณให้ท่านคุ้มเหนื่อยอย่างนี้พระอาจารย์พอจะหายเหนื่อยบ้างไหมครับก็ก็ดีถ้าได้ยินว่าอุตส่าห์ไปปฏิบัติก็หายเหนื่อยแล้วเพราะสอนนี่ก็เพื่อให้เอาไปปฏิบัติอย่าให้มันเป็นแบบหูซ้ายเข้าหูขวาหรือเป็นแบบทับพีในหม้อแกง ฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้อ่าสอนอะไรพูดอะไรแต่ถ้าทำไปแล้วเอาไปทำแล้วได้เกิดประโยชน์แนมะ้แต่เพียงน้อยนิดดับความทุกข์เล็กๆน้อยๆที่มีอยู่ในใจได้หรือแก้ความเห็นผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องได้แค่นี้เราก็พอใจแล้วหมดแล้วยัง อ, อีกนิดหน่อยแล้วอพอแล้วครับอาจารย์หายหมดแล้วครับจกคุณวัดอีกข้อนะครับอ่า ถ้าเราต้องการปฏิบัติสมาธิให้เกิดความก้าวหน้าจําเป็นหรือไม่ครับที่ต้องมีครูบาอาจารย์ที่รู้วาระจิตเราได้ครับเหมือนสมัยพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่ท่านรู้ว่าวาระจิตลูกศิษย์เป็นอย่างไรครับ อ, อ๋อไม่ต้องหรอกการจะได้สมาธิไม่ได้อยู่ที่สติของเราอยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรของเราถ้าเราขยานันเจริญสติขยันนั่งสมาธิบ่อยๆเราก็จะได้สมาธิ การที่มีครูบาอาจารย์อ่านวาลติจเราได้ก็เป็นเป็นประโยชน์เวลาท่านรู้ว่าเรากําลังเถลยถลายไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านก็จะได้มาเตือนเราบอกให้อย่าคิดให้พุทโธพุทโธให้ทํานองนี้แต่ถ้าเราไม่มีก็เราก็ต้องเป็นคนคอยควบคุมดูแลตัวเราเองอย่าปล่อยให้เราเถลยถลายไปทํากิจอย่างอื่นอย่าไปคิดเรื่องอื่นให้พยายามคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวอย่างที่มีเรื่องหลวงปู่มั่นท่าน ในประวัติหลวงปู่ม่านน่ะหลวงปู่ม่านท่านไปภาวนาอยู่ที่ถ้ำสาลิกามท่านอยู่บนเขาแล้วที่ตีนเขาก็มีศาลาเล็กๆมีหลวงพ่ออีกรูปหนึ่งท่านก็ไปทุดงพอดีก็ต่างคนต่างแยกกันภาวนาตอนกลางคืนหลวงปู่มั่านท่านก็ส่งจิตมาดูจิตของหลวงพ่อว่ากําลังทําอะไรก็เห็นท่านกําลังคิดวิตกกังวลกับเรื่องบ้านเรื่องลูก เ, เรื่องหลานจิตไม่สงบพ อ, อตอนเช้าหลวงปู่ม่านท่านกระทักว่า ไปกังวลกับเรื่องลูกเรื่องหลานเขาทำไมพอพูดเท่านั้นแกกลัวเลยรแกเลยหนีไปเลยไม่กล้าอยู่ใกล้พออับอายที่คนอื่นมาอ่านจิตใ จ, จของตอนเองได้ว่าแทนที่จะนั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธกลับไปกังวลกับเรื่องลูกเรื่องหลานอะไรต่างๆั้นมันก็เป็นคุณนั่เป็นโทษได้ถ้าเราพูดแล้วทำให้เขาอับอายขายหน้าเขาอาจจะหนีไปเลยไม่กล้าอยู่ใกล้เราก็ได้ เห็นเวลาจะสอนใครนี้บางทีก็ต้องดูต้องระมัดระวังว่าสิ่งที่เราพูดนั้นจะเกิดคุณหรือเกิดโทษถ้าเกิดโทษก็อย่าพูดดีกว่าหมดหรือยังยังครับเอาเลยเ อ, เอาใช่ไหมครับาว่ายังเวลายังพอไม่อยู่คำถามจากคุณแก้วนะครับการทำวิปัสสนาในการดูร่างกายจะทำให้จิตวิ่งไม่หยุดหรือไม่กับการดูจิตให้นิ่งไม่ประคองจิต อย่างไหนดีกว่ากันก็อยู่ที่ว่าเราอยู่ขั้นไหนถ้าเราอยู่ขั้นสมาธิเราก็ต้องทำให้มันนิ่งแต่ถ้าเราอยู่ขั้นวิปัสสนาเราก็ต้องพิจารณาเห็นความจริงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคำถามจากคุณอัญชรีนะครับหลังจากเดินจงกรมเป็นเวลาพอสมควรขณะยืนพักก็เกิดความคิดว่าสุดท้ายเราก็อยู่คนเดียว สักพักมันก็มีความสุขมากสุขแบบบอกไม่ถูกอันนี้เรียกว่าอะไรคะสุขจากการที่เราปล่อยวางทุกอย่างพอเรารู้ว่าในที่สุดเราก็ต้องอยู่คนเดียวเมื่อเราอยู่คนเดียวได้เราก็มีความสุขคําถามจากคุณแพตแพตนะครับอา น, นิสงส์จากการฟังพระสวดปาติโมกมีอย่างไรบ้างคะก็เหมือนกับการที่เราฟังเทศเพียงแต่ เราได้เพียงแต่สมาธิไม่ได้ปัญญาเพราะเราไม่ได้เข้าใจความหมายท่านสวดไปเราก็นั่งฟังไปก็เหมือนเราฟังเทศไปแต่เราไม่ได้ติดตามไม่ได้พิจารณาตามธรรมที่ท่านแสดงเพราะเราไม่เข้าใจภาษาแต่เรามีเสียงปฏิโมกเสียงสวดปฏิโมกมาเป็นอารมณ์กล่อมใจท่านใจเราไม่ไปคิดเรื่องต่างๆใจเราก็สงบเป็นสมาธิได้ คำถามจะคุณพีโอเน่นะครับถ้าทําอาชีพค้าขายปลาทะเลไปรับปลาที่ตายแล้วจากแม่ค้าอีกทีหนึ่งอย่างนี้บาปไหมคะถ้าบาปควรจะบอกญาติเราอย่างไรเ อ, อ๋อถ้าเป็นของตายแล้วไม่บาปอะแต่ถ้าเป็นของที่ยังไม่ตายนี่เราไปทําให้เขาตายนี่ถึงจะบาปถ้าเป็นของเป็นแล้วเราไม่ได้ทําให้เขาตายก็ยังไม่บาปเจ้าเราขนไก่จากเจ้าหนึ่งไปเจ้าหนึ่งนี้เราไม่ได้เป็นคนฆ่า เราก็ไม่บาปแต่ถ้าคนไปแล้วเพื่อให้เขาฆ่าก็ไม่ควรจะทําเพราะว่าเป็นการสนับสนุนการฆ่าถึงแม้เราไม่ได้ทําเองเราไม่ได้บาปแต่ก็เป็นอาทีพที่เราไม่ควรจะทําคําถามจากคุณซับดานะครับใกล้กรถิ่นนี้อยากให้พระอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับกรถินค่ะกรถินก็คือการถวายผ้านี่เองไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นสมัย ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมใหม่ๆนี่พระไม่มีคนถวายผ้าท่านต้องไปหาเศษผ้าที่ทิ้งไว้ตามป่าช้าหรือตามกองขยะแล้วพอมีผ้ามาบวชกันมากๆขึ้นจํานวนผ้าที่เขาที่ไปเก็บมันก็ไม่พอผ้าบางทีก็มีผืนเดียวเวลาฝนตกก็ไม่มีเปลี่ยนเพพระพุทธเจ้าเห็นผ้ากลุ่มหนึ่งมาเฝ้าหลังจากเดินทางแล้วไปเจอฝนก็ไม่มีผ้าเปลี่ยนก็มาแบบเปียกปอน ท่านก็เลยสงสารก็เลยบอกญาติโยมว่าต่อไปนี้ถวายผ้าให้พระนะจะมีประโยชน์มากมีคุณมากก็เท่านั้นเองความหมายก็คือมันขาดแคนถ้าถวายผ้ามันก็จะเป็นประโยชน์มากก็เลยคิดว่าการถวายผ้ากระถิ่นเป็นบุญมากกว่าบุญอย่างอื่นมันก็เท่ากันถวายผ้าถวายอาหารถวายยารักษาโรคถวายที่อยู่อาศัยนี่ได้บุญเท่ากันเพราะมันเป็นสิ่งที่จาเป็นด้วยกัน เพียงแต่ว่าสิ่งไหนขาดแคลนสิ่งนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่ควรจะถวายสิ่งที่มันมีเยอะแยะไปแล้วก็ไม่ควรที่จะถวายให้มันพอดีกับความต้องการของผู้ใช้ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ขาดผ้าพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าถวายผ้าเราจะได้บุญมากเพราะตอนนี้มันขาดแคลนมากนั่นเองแต่ตอนนี้ผ้ามันเยอะแล้วถวายกี่ถ้าหล่มันก็ได้เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปยึดติด ก, กับคาําว่ากระถิ่นเพราะ คนมาเชื่อกันว่าถ้าเป็นกรถิ่นเราจะบุญใหญ่โตเพราะหนึ่งจะต้องนอกจากถวายผ้าแล้วจะต้องถวายเงินทองเพื่อบุรณะซ่อมแซมวัดด้วยมันก็จริงวัดก็ต้องซ่อมแซมบุญละะแต่มันไม่ได้เป็นกรถิน่นะมันเป็นส่วนประกอบของกรถินจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ทําได้ก็ดีเหตนั้นถ้าเราอยากจะถวายผ้ากรถินเนี่ยมีเงินซื้อผ้าไตาชุดหนึ่งหรือซื้อผ้าผืนหนึ่งไปถวายผ้าก็ได้ละก็เหมือนกับกรถิ่นละ แล้วในกรณีที่พระต้องอยู่ครบพรรษาถึงจะมีสิทธิ์รับกรถินนี่เป็นประเพณีหรือเป็นอะไรครับอาจารย์เป็นคําสั่งของพระเจ้าไงเป็นเพราะว่าช่วงเข้าพรรษาพระเจ้าไม่ต้องการให้พระไปไปไหนมาไหนเพราะาไปเหยียบย่ํำข้าวในานาของชาวนาชาวไร่เกิดความเสียหายก็เลยสั่งให้อยู่กับที่ห้ามเดินไปไหนมาไหนนี้จะให้ก็นี่ถ้ามีพระบางองค์ฝ่าฝืนนะ ท่านก็จะลงโทษด้วยการไม่ให้รับกรถินพระองค์ไหนไม่ฝ่าฝืนอยู่จำพรรษาก็จะให้รางวัลให้มีสิทธิ์รับผ้ากรถินได้คื อ, อก็เท่านั้นสมัยนั้นผ้ามันสําคัญพอผ้าผ้าหายากเย่นั้นถ้าถ้าให้รางวัลให้รับผ้ากรถินพระก็จะได้ไม่ไปไหนมาไหนในช่วงเข้าพรรษาถ้าไม่ถ้าไม่ให้รางวัลเขาก็จะไปอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็เท่ากันก็ เขาก็จะไม่ไม่อยู่ก็ได้หรือจะไปก็ได้อันนี้ก็เลยเป็นเหตุที่ท่านท่านกำหนดว่าผู้จะรับผ้ากรถินได้นี้จะต้องอยู่จำมัญษ า, าตลอดระยะเวลาสามเดือนถึงจะรับมีสิทธิ์รับผ้ากรถินได้อีกสักสองคำถามก็พอนะครับอาจารย์ครับคำถามจะคุณวัดอีกทีนะครับ ถ้าจิตรวมลงเป็นสมาธิแล้วการพิจารณากายให้เป็นวิวปั ส, สนาทำอย่างไรครับเออตอนรวมลงยังไม่ต้องพิจารณาตอนรวมนี้ต้องการให้จิตสงบให้นิ่งให้นานๆเพราะเป็นเหมือนตอนชาร์จแบตเตอรี่เวลาเราชาร์จแบตเตอรี่เราไม่อยากจะเอ า, เ, อาเครื่องไปใช้เพราะใช้แล้วมันจะดูดไฟไปหมดชาร์จมันจะไม่เต็ม เ, เวลาชาร์จแบตนี้เรามักจะไม่ใช้กัน นอกจากจำเป็นจริงๆท่านั้นเองดงั้นเวลาทำจิตให้สงบนี้เราต้องการชาร์จแบตชาร์จกำลังของจิตให้มีกำลังมากๆไว้ต่อสู้กับความอยากต่างๆดะงั้นเวลาที่จิตสงบนี้ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมไมไมอะไรให้นิ่งนานๆแล้วรอให้จิตออกจากความสงบก่อนถอนออกมาแล้วมาคิดปรุงแต่งพอคิดปรุงแต่งแล้วตอนนั้นแะก็เอาไปคิดทางวิปัสสนาได้ คิดว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราคิดบ่อยๆเพื่อให้จาได้เพื่อให้ปล่อยให้ได้ตอนนี้เรายังไม่ปล่อยเรายังไม่ยอมแก่ไม่ยอมเจ็บไม่ยอมตายกันแต่ถ้าเราคิดบ่อยๆต่อไปเราจะเห็นว่าถ้าเรายึดเราจะทุกข์ถ้าเราไม่ยึดเราจะเราจะสุขเราจะไม่ทุกข์ต่อไปเราก็จะปล่อยได้เอง คำถามจากคุณปัทธรมพรนะครับสวดมนต์กับการเดินจงกรมคือการฝึกสติหรือเปล่าคะก็เหมือนกันการสวดก็เป็นการฝึกสติเดินจงกรมถ้าเดินโดยแบบใจลอยก็ไม่ฝึกสติเดินจงกรมก็เดินเดินไปสวดไปอย่างนี้ก็ถึงจะเรียกว่ า, าเจริญสติสติไม่ได้อยู่ที่การเดินหรือการนั่งสติอยู่ที่การควบคุมใจไม่ให้ไปคิดบุงแตกให้อยู่กับอารมณ์เดียวเรื่องเดียว คำถามสั้นๆดีข้อนึ่งครับคนพิโอนี้ยครั้งนะครับแล้วถ้าอาชีพหมอที่ฆ่าแบคทีเรียนี่บาปหรือไม่ครับแบคทีเรียนี่ถือว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีชีวิตอเป็นสิ่งที่ไม่มีวิญญาณก็ไม่บาปจะบาปก็ต่อเมื่อทําลายสิ่งที่มีวิญญาณหมดแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ